เจพรพวกเราทุกๆคนเนาะ <g ül> ก, ก็ดีแล้วนะที่พวกเรามาสรวจมงนมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมด้วยกัน <g ül> ก็ถือว่าทุกคนกเ็เป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องธรรมะนะธรรมะมันเป็นเรื่องจำเป็นสาหรับทุกชีวิตนะ <g ül> ถ้าเราไม่ไม่สนใจธรรมะไม่ศึกษาธรรมะบางทีเมื่อถึงคราวที่เรามีปัญหานะเรามีความทุกข์นะเราก็ไม่มีมันเหมือนไม่มียาเหมือนเหมือนเราเป็นโรคกลเราก็ไม่มียารักษาโรคของเราเองเดี๋ยวนี้วิทยาการทางการแพทย์ก็เราก็มียารักษาโรคนะแค่พุกอย่าง แค่ทุกโรคนะหายบ้างหรือว่าแก้บรรเทาบ้างแต่โรคที่มันเป็นโรคคู่กับโรคโรคมนุษย์หรือโรคอื่นๆก็แล้วแต่นะก็คือโรคทางใจนะเพราะชีวิตเรามันมีสองส่วนมีเรื่องตายกับเรื่องใจนะการที่เราเรียนหนังสือมาคือทางโรคเนี่ยเร า, เาจะเน้นเรื่องเรื่องโรคทางกายเยอะ นะเพราะว่าคนก็คิดกันหรือว่าคาดหวังกันว่าถ้าทางกายดีนะทางใจก็จะไม่ทุกข์แต่บางทีก็มันก็ไม่แน่นะมันไม่ใช่สูตรสําเร็จนะว่าถ้าทางกายดีแล้วทางใจจะจะดีด้วยนะมันไม่ใช่สูตรสําเร็จบางคนก็ทางกายดีทางใจก็ดีนะ แต่บางคนก็ทางกายดีนะทางใจไม่ดีก็มีบางคนทางกายไม่ดีทางใจดีก็มีบางคนทั้งกายทั้งใจก็แย่ไปทั้งคู่ก็มี <c oughs> <c oughs> นะการการศึกษาธรรมะเราก็จะเน้นเรื่องทางใจนะแต่ก็ไม่ได้ว่าทิ้งทางกายน ะ, น ะ, นะเราเราเชื่อว่าถ้าถ้าใจดี ก็จะส่งผลต่อกายดีด้วยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะคือ <c ười> จะทำให้ใจไม่เป็นทุกข์นะไม่เป็นทุกขนะ์โรคทางใจที่สำคัญจริงๆก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นความทุกขนะ์เนาะความทุกข์ก็มีสาเหตุเพราะว่าความคิด <c ười> หรือว่าจะพูดว่ากิเลส นะหรือว่าเชื้อโรค ก, ก็คือความโลภความโกรธความหลงนะเป็นเชื้อโรคเป็นเะชื้อโรคนะตัวที่ขยายโรคนะก็คือความคิดนะพอเราโกรธล้วก็คิดถึงเรื่องที่โกรธนะพออยากพอคิดต่อปรุงแต่งในสิ่งที่อยากพอหลงก็ปรุงแต่งต่อไปอันนี้คือจะเรียกว่าสาเหตุของโรค ก, ก็คือเนะี่ยหละ ตัวเชื้อโรค ก, ก็คือความโกรธความโลภควา ม, วามดมนะตัวที่มันขยายโรค ก, ก็คือความคิด <c oughs> ที่เราไม่รู้เท่าทันเนาะก็เรียกว่าปรุงแต่งนะส่งผลก็คือเกิดเป็นความทุกข์ใจ <c oughs> เกิดเป็นความทุกข์ใจ <c oughs> เรามาศึกษาเรื่องนี้เพื่อจะได้แก้โรคทางใจนะเพื่อจะได้ดับทุกข์ทางใจเนาะดับทุกข์ทางใจกันะ การที่จะดับลุกทันใจได้เราต้องรู้เท่าทันโรคนะ เ, เวลาเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนื้อหรือว่าเกิดการปรุมแต่งขึ้นในจิตใจหรือว่ากิเลสมันเกิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราต้องรู้ทันเนาะนะเหมือนกับคนไข้มาหาหมอหมอก็ต้องวิิจัยโรค ก, ก่อนวิจัยโรคให้ถูกะวิิจัยโรคถูกถึงจะรักษาโรคได้นะ ถ้าวิวิณิชัยโรคไม่ถูกก็แค่เหมือนรักษาไปตามอาการนะแต่ก็เหมือนไม่รู้ว่าจะรักษาได้ผลจริงหรือเปล่าหมอก็ไม่แน่ใจใช่ไหมถ้ายังไม่รู้ว่าโรคจริงๆเขาคืออะไรนั้นการที่เราจะวิวิณิชัยโรคทางใจของเราได้นะเราต้องฝึกเรียกว่ารู้เท่าทันรู้เท่าทันใจนะรู้เท่าทันใจ รู้เท่าทันใจก็คือรู้เท่าทันความคิดพูดง่ายก็ได้นะรู้เท่าทันความคิดหรือรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจนะฝึกแบบนี้นะฝึกในแต่ละวันก็ลองฝึกรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจนะเช่นไม่ใช่ว่าคือการรู้เท่าทันก็คือว่าความคิดก็ตามหรืออารมณ์อะไรก็ตามนะมัน มันเป็นแบบไหนก็ได้นะบางทีก็คิดดีเราก็เห็นว่ามันคิดดีบางทีคิดไม่ดีเราก็เห็นว่ามันคิดไม่ดีบางครั้งวุ่นวายใจเราก็เห็นว่ามันวุ่นวายใจบางครั้งสบายใจเราก็รู้ทันว่ามันสบายใจอันนี้คือเรียกว่าเป็นอาการนะเป็นอาการเราสังเกตอาการสังเกตอาการที่มันเกิดขึ้นในใจ ครๆเหมือนเราสังเกตอาการที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายอ๋อเป็นไข้ปวดหัวอาเจียนใช่ไหมอันนี้ก็คือเราก็สังเกตอาการที่มันเกิดขึ้นในใจออแต่และ ว, วันนะมันแสดงอาการหลายอย่างมากโรคทางใจเราเนี้ยนะเราก็เห็นมันแสดงอาการต่างๆเห็นแสดงอาการแล้วบางทีถ้าเรารู้ไม่เท่าทัน บางอาการเราก็ชอบเราก็ยึดไว้บางอาการเราไม่ชอบเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะอันนี้ก็คือพอมันเกิดอาการแล้วเราก็ไปปรุงแต่งต่อเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจขึ้นนะเราก็ฝึกให้มันรู้เท่าทันอีกนะเพราะว่าอาการใจที่มันไปเผลอชอบใจหรือเผลอไปไม่ชอบใจเนะี่ยก็คือการปรุงแต่งอีก ใจไม่เป็นกลางนะแต่ถ้าเราจะฝึกจริงๆนะเหมือนใช้ค็ว่าสังเกตสังเกตไม่ใช่ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีก็ดูมันว่าเออดูอว่าใจไปชอบดูว่าใจไม่ชอบนะมันสงบเราชอบมันไม่สงบเราไม่ชอบอะไรไหมนะดูเท่าทันมันดีทีนึงนะเราจะเห็นว่าเออใจมันไม่เป็นกลางนะใจมัน อันนี้มันดีเราก็ไปยึดไว้บางทีก็เหนื่อยนะรู้สึกไหมเหนื่อยไหมบางทีบางคนพยายามจะมีความสุขตลอดเวลาก็เหนื่อยนะพยายามจะเอ่อให้คนอื่นรู้สึกว่าเรามีความสุขพยายามให้คนอื่นรู้สึกว่าเราไม่ทุกข์หรอกเราสบายดีนะเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันหรือบางทีโกรธแล้วพยายามให้มันหายโกรธนะหรือว่าทุกข์แล้วก็แบบ พยายามให้มันหายทุกข์อ่ะหมายว่าสังเกตบางคนที่หลายคนอย่างเช่นเป็นโรคซึมเศร้านะอารมณ์ซึมเศร้าก็อันหนึ่งนะแต่บางทีคนซึมเศร้าแล้วเป็นทุกข์มากเพราะว่าอยากจะหายซึมเศร้าอยากจะหายจากโรนี้เร็ ว, รวนะอยากจะกลับมาเป็นปกติหรือคนไข้หลายคนเช่นเป็นมะเด็งนะบางทีก็เป็นทุกข์มะเด็งก็เป็นทุกข์ทางกายอันหนึ่ง แต่ใจที่มันอยากจะหายมาเด่งเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ที่หนักเข้าไปอีกอันนี้คือใจเราไม่ปกตินะะอันนี้อาจจะเป็นโรคที่ชัดเจนแต่อันนี้อันมารวมถึงแม้แต่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเลยนะบางทีเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นมาเป็นความโกรธก็ดีเป็นความอยากก็ดีเป็นอะไรก็ดีนะเราลองฝึกให้มันรู้เท่าทันมันได้ใจที่มันเป็นการนะ เหมือนเป็นการฝึกจริงๆคือเหมือนการฝึกให้เป็นผู้สังเกตแยกฝึกวิปัสสนาจริงๆคือฝึกแยกแยกว่าอันเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเราเป็นผู้ดูคล้ายๆเหมือนแยกว่าเหมือนหมอพยาบาลเนี่ยเป็นอันหนึ่งนะคนป่วยก็เป็นอันนึงใช่แต่ถ้าเราการไปเป็นคนป่วยด้วยเนี่ยเราจะรักษาคนป่วยด้วยไม่ได้นะยังไมเหมือน ถ้าหมอพยาบาลป่วยจะไปรักษาคนป่วยก็ไม่มีแรงไปรักษาเขาอันนี้เราเลยแยกตัวเองมาเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นผู้ดูแลคนป่วยก็นอนอยู่ที่เตียงให้หรือมาปรึกษาเราให้เราดูแลอันนี้ก็เหมือนกันนะเราแยกใจให้เป็นผู้ดูแล้วก็มีอาการที่มันเป็นโรคอาการที่มันไม่ไม่ปกติเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกรักษาเรามาฝึกให้ ให้ใจฝึกออกมาเป็นผู้ดูนะดูเมื่อเราดูได้เราจะวินิจฉัยโรคได้ถูกเราจะรักษาโรคได้ถูกนะฝึกฝึกดูฝึกดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจเราบ่อยๆเฮ้ยมันแวบอีกแล้วคิดอีกแล้วมันแวบโกรธอีกรักหมุดหงิดมันแวบอะไรก็แล้วแต่แวบไปนั่นแวบไปนี่เราก็จะเห็นใจเถอแวบไปเรื่อยนะ เผยใจเดี๋ยวก็วิจารนั่นนี่เผยใจเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ช้ำไปแล้วเราก็จะเห็นใจอใจมันเป็นแบบนี้เนี่ยว่าะใจใจตอนแรกคิดว่ามันเป็นใจของเราถ้ามันเป็นของเราเราก็ต้องบงเราก็ต้องสั่งมันได้สิอันนี้มันสั่งไม่ได้อพอมันสั่งไม่ได้เราก็จะอ๋อเออขนาดใจเราเองสั่งไม่ได้แล้วที่ เราไปตั่งคนอื่นแล้วเขาไม่ทาตามที่เราสั่งเนี่ยเออมันก็มันยิ่งเออมันก็เราจะไปทุบทําไมนะขนาดใจเราเองยังควบคุมไม่ได้คนอื่นเราจะไปควบคุมได้หรือม่เนี่มันก็จะเข้าใจโอ้ขนาดตัวเองใจนี้ยังควบคุมไม่ได้เลยใจคนอื่นจะควบคุมได้หรือแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่บอกไม่สอนนะก็บอกสอนแต่เพียงล้วเราก็จะเข้าใจนะคําว่าเข้าใจคือ เ อ, อรู้ว่ามันเป็นแบบนี้แหละนะได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นอย่างที่เราคาดคิดไปทั้งหมดหรอกนะเราก็จะปล่อยวางเมื่อเราเข้าใจเราก็จะปล่อยวางนะอันนี้คือถ้าเราฝึกเป็นผู้สังเกตใจของเราบ่อยๆเราก็จะเข้าใจคนอื่นเข้าใจสิ่งอื่นว่ามันก็เหมือนกันนี่แหละบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็แวบเปลี่ยนไปเรื่อยเราจะเห็นว่า ไปยึดอะไรนะก็เป็นทุกข์ยึดความรักก็เป็นทุกข์ยึดความสุขก็เป็นทุกข์ยึดความสงบ ก, ก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะอะไรมันไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งได้จริงจริงสงบมันก็เปลี่ยนไปนะสุขจะประคองไว้ตลอดเวลาก็ไม่ได้ ยึดคนนี้เป็นคนรักของเราเป็นที่พึ่งเขาก็ต้องมีความแกเ่เจ็บตายมันก็ยึดไม่ได้จริงๆเลยนะเราก็จะไม่ไปยึดนะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรักไม่มีความสงบไม่มีความสุขนะมีแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ก็ไม่ไปลงไปยึดอันนี้คือปัญญามันจะเกิดขึ้นมาอ้อสึ่งต่างๆมันเป็นแบบนี้เราไปยึดมันไม่ได้นะนี่คือฝึกฝึกให้เรามีสติรู้เท่าทัน ใจแต่คราวนี้บางทีมันก็จะมีปัญหาบางทีบางคนบอกให้ดูใจโดวใหญ่มันดูไม่ค่อยได้มันคล้ายๆไม่มีกำลังพอบอกว่าจะไปดูแล้วมันมันกลายเป็นเข้าไปอยู่มันไม่ใช่ดูละมันเหมือนคล้ายๆคล้า ย, ยๆเหมือนสมมติมีคนมีเพื่อนเรามาปรึกษาเรื่องปัญหาเรื่องอะไร แล้วเราก็ไปเสียใจไปร้องไห้กับเขาท่านเนี่ยคือเราไปตามเขาอันนั้นคือเราไม่ได้ดูนะการที่เราไม่มีกำลังดูจิตใจดูความคิดต่างๆดูตรงต่างๆเพราะว่าสติมันยังไม่เพียงพอเนาะคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเด็กเด็กผ่อนแอนะจะไปยกของก็ยกไม่ไหวหรือตอนไหนร่างกายเราไม่สบายเราจะไปทำงาน ที่ปกติทำได้มันก็ทำไม่ได้บางทีถ้าเราดูใจไม่ได้เราก็ฝึกดูกายไปก่อนก็ได้นะฝึกดูกายในการด้านกายทำอะไรก็ให้ใจรู้สึกนะเดินก็ให้รู้สึกตัวนะกินก็รู้สึกตัวนะนอน ก็นอนแบบรู้สึกตัวคือเห็นร่างกายมันนอนเห็นมันหายใจเข้าเห็นหายใจออกไปไมันะกินก็เห็นร่างกายเขากาลังกินนะเดินก็เห็นร่างกายเขากาลังเดินนะทำอะไรก็เห็นเห็นร่างกายเขาทาดูดูเห็นร่างกายเขาทาไปเรื่อยๆ อ, อันนี้เรียกว่าฝึกรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันนะครับ วิธีปฏิบัติทำวิธีที่เป็นวิธีทพระพุทธเจ้าท่านสอนนะท่านก็จะสอนเรื่องเป็นวิธีที่มันอยู่ในกายในใจนี่แหละนะไม่ใช่ไปดูเรื่องข้างนอกตัวนะกรรมฐานทั้งหลายก็คืออยู่การดูกายกับดูใจเท้านั้นอดูกายมันก็ดูได้เยอะมากนะเราจะนั่งดูร่างกายหายใจเข้าหายใจออกก็ได้นอน ดูมันหายใจเข้าหายใจออกก็ได้หรือนั่งขยับมือรู้สึกก็ได้ขับรถก็ดูมือมันขยับดูความรู้สึกขณะที่นั่งขับรถเนี่ยนะกวาดบ้านก็ดูความรู้สึกขณะที่เดินแล้วก็ขยับมือกวาดไปอันนี้คือร่างกายเขาแสดงอะไรก็แล้วแต่ร่างกายมันแสดง ความจริงตอนนี้ก็ให้ใจอยู่ด้วยคลนะ้ายๆเนายทาใจรู้ตายทาใจรู้เนี่ยแปลแบบนี้นเรื่อยๆมันเป็นการฝึกให้สติเราจะอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆพอพอต่อไปมันจะเกิดมันจะเห็นไงว่าเออเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเดินก็ตั้งใจจะรู้สึกตัวในการเดินแต่ มันแว บ, บออกไปแวบบออกไปทำไงอเราก็เห็นมันแว บ, บไปนะมันก็จะกลับมาอ่ากลับมากลับมาของมันเองนะฝึกแบบนี้บ่อยๆนะกายเคลื่อนไหวใจรู้นะใจเถอออกไปแว บ, บคิดก็มีใจอีกหนึ่งที่รู้ทันฝึกแบบนี้เรียกว่าเราฝึกจะเดินสตินะฝึกจะเดินสติสติ โดยธรรมชาติธรรมดาเราก็ว่ามันเป็นสติเราก็มีสติแต่การเจริญสติตัว น, นี้มันเรียกว่าเป็นขั้นการเจริญสติแบบสติปฐานสติที่มีฐานฐานคือที่ตั้งนะเช่นกายนะกายมีที่ตั้งเอากายเป็นที่ตั้งของสติเอาลมหายใจเป็นที่ตั้งของสติเอาท้องคองยกเป็นที่ตั้งของสติ นะหรือเอาพุโทโธไปที่ตั้งของสติพุโทโธที่ที่ตั้งหูตใจนะได้หมดเลยนะอนะหรือเราไปสอนคนไข้มาก็สอนกรมมือก็ได้กรมือคลิกมือบางคนสยับตัวไม่ได้ก็เนี่ยให้เขาเอาเอาพุโทโธเป็นที่ตั้งอนะ่ให้เป็นที่อยู่ให้ให้คล้ายๆเหมือน ให้เหมือนกรรมฐานเหมือนเป็นบ้านให้ใจมันมีบ้านอยู่เพอะถ้าใจไม่มีบ้านอยู่มันจะมันจะปรุงแต่งไปเรืนะ่อยปรุงเป็นความกังวลปรุงเป็นความปรุงซ่านปรุงเป็นความทุกข์เนาะให้ใจมีที่อยู่นะอืมคนสมัยนี้ใจไม่ค่อยมีที่อยู่ไปเรื่อยคิดนั่นคิดนี่คิดดีก็ยิ้มคิดไม่ดีก็ทุกข์ก <c oughs> ็จะเป็น เดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็ทุกนะร้องไห้เสียใจนะฝึกให้ใจฝึกให้ใจมันมีที่อยู่ไปบ่อยนะแต่แต่ต้องฝึกแบบมีอุบายที่มันแบบผ่อนคลายหน่อยนะคล้ายๆเหมือนโยมหลายคนมีลูกอะ่ะเราสังเกตเวลาเราฝึกลูกอะ่ะบางทีก็เอาของเล่นให้เขาเล่นเขาอะู่อยู่กับของเล่นคือมันสนุกสังหน่อย แต่ถ้าไปให้ไปตั้งใจทําการบ้านนะบางคนก็ไม่ตั้งใจให้มันมันเบื่อให้ไปทํางานบางทีก็ไม่ชอบแต่ถ้ามีอะไรสนุกสนุกเนะี่ยมันก็มันก็จะอยู่ตรงนั้นไดนะ้นะบางทีเราบอกว่าเด็กไม่มีสมาธิตอนเรียนไม่มีสมาธิแต่ตอนเล่นมีสมาธิบังทีไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีสมาธินะแต่เราอาจจะเลือก เรื่องอยู่ที่มันไม่เหมาะกับเขาเฉยๆตัวเราเองก็เหมือนกันนะเราสังเกตดูว่าเราเราอยู่กับการทําอะไรแล้วเรามีความผ่อนคล า, ายมีความสุขแล้วก็รู้ตัวในปัจจุบันได้เราก็ทําตรงนั้นนะ่ะั่นเรียกว่าเป็นเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับเรานะไม่ใช่ว่าต้องเหมือนกันทุกคนนะบางคนชอบพุโทโธก็พุโทโธไปเรื่อยสบายๆ บ, บางคนชอบขยับมือ รู้สึกตัวก็ได้บางคนชอบดูลมหายใจจับลมหายใจไปเรื่อยก็ได้นะอันนี้หากรรมฐานพักอย่างหนึ่งให้ให้ใจเรามีเครื่องอยู่บ่อยๆทําอะไรก็ได้แต่ก็แต่พอจะไปทํางานบางทีก็ประยุกต์เอาบางทีประยุกต์เอาเช่นบางทีแต่ก่อนเรานั่งหลับตาดูลมหายใจ ต่อไปก็เดินก็อาจจะอาจจะดูลมหายใจไม่ชัดก็ดูการเดินแทนเหมือนะหรือเวลาประชุมจะมาตั้งจะมาทําแบบนิ่งๆดูกรรมฐานของตัวเองตลอดก็ไม่ได้ก็บางทีต้องประยุกต์เช่นก็มีสติในการนั่งมีสติในการดูมีสติในการฟังมีสติในการรู้ทันใจเช่น เขาพูดยาวไปใจมันเบื่อก็เาเห็นใจมันเบื่อเขาพูดดีๆเห็นใจเราชอบก็วเราเท้าทันใจที่มันชอบอันนี้คือประยุกเอาประยุกเอาอ น, นี่คือกรรมฐานนะเราฝึกตรงนี้บ่อยๆพอใจเรามีฐานก็เหมือนกับใจเรามียาเอาไว้คอยรักษาโลกรักษาโลกคือ พอใจมันแวบไปใจมันมีฐานก็คือใจมันรึ้จักกลับมาได้ของมันเองเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆพอเป็นโรคปุ๊บกินยาปุ๊บหายทันทีหายทันทีอันนี้คือพอเรามีกรรมฐานพอใจมันออกไปจากฐานมันจะลึกได้ว่าใจมันออกไปจากฐานแล้วมันก็จะกลับมาของมันเองเราฝึกแบบนี้บ่อยๆจิตมันคล้ายๆเหมือนเราจะบอกว่าใจไม่ใช่ของเรา ก็ถูกแต่ใจมันเหมือนเด็กเหมือนลูกเหมือนนักศึกษาเหมือนนักเรียนอะ่ะแรกๆตอนมาเรียนเขาก็ไม่รู้เรื่องแรกๆตอนเป็นเด็กเขาก็ทําอะไรเองไม่ได้แต่พอเราฝึกเข้าไปบ่อยเนี่ยเขาก็ทําได้เพราะก็โตขึ้นมาใช่ไหมแล้วเขาก็จะช่วยเราได้ใช่ไหมเหมือนเราเหมือนคุณหมอฝึกนักศึกษาแพทย์นักศึกษาแพทย์ตอนแรกก็ไม่รู้ทําอะไรก็ก็ดูบ้านแต่ทําไม่คล่อง ปีสองปีสามปีก็เริ่มเริ่มรับผิดชอบได้เยอะขึ้นใช่ไหมลูกของเราก็เหมือนกันนะเด็กๆ เ, เป็นทารโรบโตเป็นเด็กนักเรียนขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆฝึกสอนไปพอเขาโตเขาก็ช่วยรับผิดชอบดูแลตัวเองได้หรือเราไม่สบายเขาก็มาดูแลเราได้นะใจมันเป็นอนุตตาไม่ใช่ตัวตนของเราก็จริง แต่มันเป็นสิ่งที่ฝึกได้ถ้าเราฝึกใจของเราไดนะ้จะมีประโยชน์มากนะมีประโยชน์มากเมื่อถึงคราวมีปัญหาเมื่อถึงคราวสุขภาพไม่สบายที่พึ่งอย่างอื่นก็ ก, ก็พึ่งตามเหตุปัจจัยที่พึ่งได้นะพึ่งคุณหมอพึ่งพยาบาลพึ่งยาพึ่งญาติ ก็พึ่งได้ตามเสียตามปัจจัยแต่ที่พึ่งทางใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้กันได้ยากนะแต่ถ้าเรามีที่พึ่งทางใจมันจะมีคําว่าอะไรก็ได้แต่ถ้ามันไม่มีที่พึ่งทางใจนมันต้องมันจะไม่ค่อยอะไรก็ได้หรอกมันต้องอย่างงั่นต้องอย่างนี้ไม่พอใจหมดหีด แต่ถ้าเรามีที่พึ่งทางใจนะมานจะคุณมันจะยอมรับได้อะไรก็ได้จะเกิดขึ้นกับเราอะ่ะไม่ใช่ว่าทําไมทําไมต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยแต่มันก็อะเกิดขึ้นมาแล้วยอมรับมันเป็นก็ได้อ่ะเป็นก็ได้ื อ, ด <c oughs> อะไรที่เกิดขึ้นมาก็ยอมรับมันอะไรก็ได้นะเออ มันก็เป็นของมันแล้วเนาะมันก็เป็นอย่างนั้นของมันแหละนะเมันก็จิตมันจะจิตมันจะพูดของมันเองจิตมันจะรู้สึกของมันเองจิตมันจะยอมรับของมันเองนะอันนี้คือพอเราฝึกใจได้ดีนะมันจะเป็นแบบนี้เลยมันโยมเคยเห็นคนแก่อะไรคนไหมคนแก่ที่เขาพงได้มาก็เยอะนะอันนั้นอาจจะอาศัยเวลาในการค่อยๆสอนค่อยๆพงนะอืม อะไรก็มแม่ก็ง่ายๆอะไรก็ได้นะไม่เป็นไรแมนะ่ยอมรับแล้วนะคืออันนั้นก็โดยธรรมาชาติที่เวลาค่อยๆสอนค่อยๆสอนค่อยๆข อ, อ, อ, อ, อ, อมเกาแต่บางคนถ้าไม่เคยฝึกเลยก็<笑><笑><笑><笑>เวลานานก็ไม่ใช่ว่าจะสอนกับซุกมากเ ก, า ก, าก่าก็มีนักก็ให้เราเลือกฝึกตัวเองตั้งแต่ตอนที่ยังพอ มีแรงอยู่ยังเรียกว่ายังสุขภาพยังพอใช้ได้อยู่จะดีนะ อ, อย่ารอว่าอย่ารอแก่เกินไปนะเพราะแก่เกินไปก็นั่งไม่ค่อยไหวหรือเวหรือเป็นโรคเป็นไฟใค้เจ็บมาก็เวทนาอาจจะมากอาจจะฝึกไม่ง่ายนะเนาะให้เราลร่มฝึกตัวเองตั้งแต่ตอน ตอนนี้นั่นแหละเนาะอดีตผ่านแล้วก็ข้นมเอาตอนนี้นั่นแหละเนาะมาก็คิดว่าเราก็โชคดีนะเราโชคดีที่ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษยนะ์เราโชคดีที่เราได้เกิดเป็นคนไทยขึ้นผู้บาอาจารย์ผู้รู้ธรรมะในเมืองไทยก็เรียกว่ายังมียังมีพอสมควรนะ เราก็โชคดีที่เราเนี่ยแหละเราได้ได้มาฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมเนะี่ยคือโชคดีของเรานะคือโชคดีของเราก็ให้เราได้ได้ทําตรงนี้ให้มันเยอะๆหน่อยะบางทีมาก็บางทีได้สอนหลายที่บางทีเราก็อืมที่จริงคนไทยเราก็โชคดีบางทีคนบางทีคนต่างชาตินะที่เขาอยากมาเรียนธรรมะบางที ก็มีคนแปลคนแปลหลายคนก็ก็ตั้งใจนั่นแหละแต่บางทีมันก็ข้อจากัดของภาษาแปลก็ไม่ไม่ไม่ตรงๆมันก็ยากหน่อยหรือบางทีอย่างอย่างที่ว่าเราไปเยี่ยมคนป่วยนะมันก็เราก็ย้ำพูดแต่โดยสภาพโลกบางอย่างบางทีเขาก็ก็หลับหลับตื่นตืนก็ เาดึงเซร์ลือบางทีก็ไม่รู้จะได้รับสักเท่าไร่มันก็ยากหรือบางทีอยจะเคยไปสอนในคุกนะจะไปสอนในผู้คุมเรือนักโทษในคุกมาว่าหลายคนก็สนใจนะสนใจธรรมะแต่ตอนที่เข้ามาเรียนก็เหมือนเป็นโอกาสพิเศษที่อย่างนี้แต่พอสี่โมงบ่ายสามบ่ายสีก็ต้องกลับไปรวมกับกับนักโทษคนอื่นเราก็มีสภาพ ที่อยู่ที่นั่นนี่จะเป็นแบบไหนมันก็อาจจะไม่เอื้อก็ได้ซึ่งมายวาว่าเออคนอื่นๆเนี่ยบางทีก็โอกาสที่จะปฏิบัติธรรมมันก็ยากเหมือนกันแต่เราก็โชคดีละเราก็เราก็มาทําหน้าที่ตรงนี้เนาะนนโดยเฉพาะเราเองก็ทําหน้าที่ช่วยคนอื่นโดยหน้าที่โดยอาชีพละ เราก็จะลุนช่วยต่เองเพราะบางทีการช่วยคนอื่นบางทีเราก็เผลอเผลอไปเอาปัญหาของคนอื่นเอาความทุกข์ของคนอื่นมาม า, มาเก็บไว้ในใจของเราได้เราก็จะเผลอมันก็มองในแง่หนึ่งก็ดีเรามีความเห็นอกเห็นใจมีความมีใจที่อยากจะช่วยเขามันก็มองในแง่ดีก็ดี แต่ถ้าเราไม่รู้จักการระบายออกการปล่อยวางมันก็จะทําให้เราเครียดนะเครียดจากงานหรือว่าผิดหวังเมื่อมันไม่สําเร็จรักษาไม่หายก็าตายหรือก็แย่มันก็จะเป็นความเครียดงนั้นการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้สามารถช่วย คนอื่นอย่างที่ไม่เป็นทุกข์ด้วย <c oughs> มาก็มาก็เห็นประโยชน์ของการศึกษาธรรมะตรงนี้ด้วยเราก็อยากมีใจที่ชอบช่วยผู้อื่นแต่บางทีก็สังเกตบางทีตอนที่เราช่วยผู้อื่นบางทีเราก็มีความคาดหวังสูงจนเป็นทุกข์ืบางทีเราเจออะไรที่มันไม่ชอบทำไม่ถูกต้องบางทีเราก็เครียดแล้วก็เป็นทุกข์นั้นเราก็ต้องฝึก ช่วยตัวเองให้ไม่เป็นทุกข์เพื่อจะได้ช่วยผู้อื่นให้เขาไม่เป็นทุกข์ด้วยนะก็ฝึกแต่เองทุกๆวัน <c oughs> อาจจะมาก็ฝึกทุกๆวันเหมือนกันนะอฝึกฝึกไปเรื่อยๆได้เท่าไหรก่ก็ก็เท่านั้นนทําจนต้องต้องเผื่อใจนะว่าปฏิบัติทำให้ทําจนตายนะบางคนไปคาดหวังเราจะทํา เต็มที่ปีหนึ่งทาเต็มที่สามปีอะไรแบนะั้นจะเอาให้ได้นะนะให้เสื่อใจว่าเหมือนทำจนตายนะเหมือนคล้ายคล้ายเหมือนแม่จะดูแลลูกจนตายอันนี้ก็เหมือนกันเราก็จะดูฝึกหัดใจเราจนตายเนะี่ยมันเอาแบบนี้ไปเลยนะคือนะอย่าไปมีเวลามากเพราะ บางทีถ้าเราไปจำกัดมีเงื่อนไขมากเนี่ยมันจะเหมือนมันจะกลายเป็นจากที่หวังดีกลายเป็นโทสะนะเช่นแบบเราช่วยเขาแล้วทำไมเขาไม่ไม่ทำตามอย่างที่เราช่วยบางทีกลายเป็นโสน <S <S นทสะกลายเป็นโทสะง่ายๆนะดังนั้นก็ก็ให้หา กรรมฐานที่เราทําแบบมีความผ่อนคลายมีความสุขในการทําแล้วก็ทํำ บ, บ่อยๆทำ บ, บ่อยๆแล้วก็ทํำด้วยกันเหมือนคล้ายๆจะทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทา ท, ทุกวันนะนะไม่ต้องไปกําหนดว่าเราจะต้องบรรลุธรรเมื่อไรดนะจะเริ่มทําตอนไหนนะไม่ต้องไปกําหนดว่าให้ให้รู้สึกว่ากรรมฐานเหมือนกินข้าว เหมือนกินน้ำเหมือนหายใจเป็นชีวิตประจำวันนะอย่าไปคิดว่ากรรมาฐานปฏิบัติธรรมคืออะไรที่พิเศษนะเหมือนช่วงเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนช่วงเวลาไปปาร์ตี้อะไรให้ให้รู้สึกกรรมาฐานเหมือนชีวิตธรรมดาของเราเหมือนกินข้าวอาบน้ำหายใจพูดคุยนะแล้วเราจะพอใจอยู่ตรงนี้เรื่อยๆนะ พ อ, อใจไปเรื่อยแล้วก็ก็ไม่มีอะไรมากกว่ามากกว่าให้กําลังใจนะให้กําลังใจแล้วก็ดักการสําคัญก็คือฝึกการเป็นผู้ดูแยกแยกอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจแล้วก็ไม่มีสติเป็นผู้ดูเมื่อเรามีสติเป็นผู้ดูเหมือนเรา เราดูอะไรบ่อยๆเราเห็นอะไรนานๆเห็นไปเรื่อยมันจะเกิดความเข้าใจเข้าใจก็คือปัญญาปัญญาเข้าใจเมื่อมันเข้าใจแล้วมันยอมรับก็เกิดการปล่อยวางนี่คือโน้นมันปล่อยวางก็คือมันไม่ทุกข์แต่จริงก็ธรรมะมันก็วิเศษกว่าตอนที่ว่า เราจะต้องไปรอมันไม่ทุกก่อนที่เราเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะความไม่ทุกโดยเฉพาะหน้าก็เหมือนคล้ายๆเราหายใจก็ไม่ตายตอนนี้ละเรากินข้าวเราก็อิ่มตอนนี้ละนะเรากินน้ำํำเราก็อิ่มตอนนี้ละอนะ่อันนี้คือความไม่ทุกในปัจจุบันนันก็มีจกนกระทั่ง ถ้าเราปฏิบัติถึงที่ฝึกมันก็ไม่เป็นทุกกับทุกอย่างอันนี้กเ็เป็นผลที่ทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะก็ให้เราได้ก็ได้ฝึกไว้นะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วก็ประโยชน์ต่อคนอื่น ต, ต่อไปนะฝากไว้